ทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบรัค่ะรายการสันสนีสนทนามาแล้วนะคะรายการนี้ที่เช่นสันสนีนาคพงดําเนินรายการเราเป็นรายการที่สนทนาการแต่เรื่องของธรรมะค่ะก็มีพระอาจารย์ไพบูร์อภิปุณโญจากวัตปาร์ดอนไฮโซเป็นผู้ที่เปิดธรรมที่ถูกปิดโดยพุทธวจนะให้กับเรานะคะกราบน้อส ก, การกระทั้งค่ะเซีนปานค่ะก็ จริงๆดิฉันขึ้นรายการเมื่อสักครู่ว่าเราคุยในเรื่องธรรมะแต่ว่าโดยเจตนาของตัวเองเนี่ยก็ยังต้องการให้ผู้ที่ฟังรายการนี้ได้เห็นว่าธรรมะเน้นนำออกมาใช้ประโยชน์กับเรื่องของชีวิตประจำวันได้ในทุกด้านดิฉันได้คุยกับหลายๆคนนะคะ จะได้พบน้อมากทีเดียวไม่ทราบว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เอาไว้เนี่ยเป็นความรู้ที่พิเศษสุดเป็นความรู้ที่ยิ่งแล้วก็เป็นความรู้ที่เหนือกับความรู้ทั้งหลายคือเหมือนกับว่าเขาคิดว่าแยกกันเรื่องทางโลกก็เรื่องหนึ่งเรื่องทางธรรมก็เรื่องหนึ่งใช่อันใช่ประเด็นในเรื่องเช่นไรประเด็นที่สําคัญเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญคือบางคนคิดว่าธรรมะเนี่ยมันแยกออกจากชีวิตนะคือค่อยไปวัดไปวัดแล้วค่อยปฏิบัติธรรมอันนี้คือคือคุณจํากัดเกินไป เนีคือเราจะได้ประโยชน์น้อยเฉพาะตอนที่เราไปวัดเออแต่ว่าส่วนใหญ่เราไม่ได้อยู่วัดนี่ใช่ไหมเ อ, อ่อมันก็เลยจะได้ประโยชน์น้อยซึ่งเลยต้องทำความคิดให้ถูกว่าจริงๆ ร, งรงธรรมะเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการปฏิบัติแต่หมายถึงการใช้ชีวิตเลยการดําเนินชีวิตของเราถ้าอยู่ในธรรมะเช่นคุณตื่นเช้ามาขยานขันขันแข็งในการทํางานนั่นคุณปฏิบัติธรรมแล้วคุณมีสมาวายามะพระพุทธเจ้าก็ยังสอนให้เรากุลบุตรกุลธิดาเป็นผู้ที่มีความขยนขันขันแข็งหาทรัพย์อันนี้ต้องมี มันมันก็เลยอาจจะไปขัดกับอีกส่วนหนึงที่ออ่างั้นต้องปล่อยวางละวางนะให้มีความคลายความยึดถือก็เลยง ง, งๆเอ๊ะมันคําสอนคนเดียวกันไหมงั้นคนอาจจะเป็นคนเลอะเรื่องกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันก็นเหมือนมี2วิสัยที่ที่เขาจะทําความเข้าใจกันก็คือว่าวิสัยแรกเนี่ยคือลักษณะของคารวะวิสัยคารวะวิสัยเนี่ยคุณก็ต้องอมีการเสพกามีความสุขที่เกิดจากตาหูบ้างก็ธรรมดา แต่ว่าในคารวาสวิสัยก็มีการปฏิบัติในลักษณะหนึ่งนะแล้วก็อีกวิสัยหนึ่งก็เรียกบันปชิตวิสัยหรือสมณะวิสัยนะเป็นผู้ที่เหมือนกับถ้าจะเปรียบเทียบก็คือทหารที่ประจําการนะคือในในทหารอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นคารวาสเขาก็ยังมีโรงเรียนสอนวอป อ, ออย่างงี้ใช่ไหมพูดถึงคารวาสที่มีความคิดอ่านว่าจะป้องกันาชาติบ้านเมืองอาจจะเป็นกําลังสำรองอาจจะเป็นผู้หญิงก็ช่วยในเรื่องอื่นๆ แต่ก็ยังมีทาหารที่อาหารประจําการอันนี้ก็คือแบบเป็นทาหารอาชีพเลยแลก็เป็นสองวิสัยในลักษณะนี้เหมือนกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันก็เลยต้องบอกว่าเดี๋ยวบางท่านเอ๊ะก็เห็นคุยเรื่องอื่นด้วยเช่นบางทีดิฉันก็อยากจะพูดนะคะเรื่องเกี่ยวกับหิมะตกอะไรเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวไว้วันถัดไปอือขอกราบเรียนถามเรื่องที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกก่อนอว่าเรา ไม่ว่าจะเป็นในระดับครอบครัวหรือระดับยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพบเจอกับการถูกกล่าวหานะคะแต่ฉันก็มีความรู้สึกว่าไม่มีใครอยากให้คนมากล่าวหาเราในเรื่องที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงเรื่องไม่จริงแต่ส่วนใหญ่ถ้าคําว่ากล่าวหามันต้องเป็นเรื่องไม่จริงนะคะเดีวบางทีมันก็ทําให้มันเกิดชีจจัดขึ้นมาในอารมณ์อกราบเรียนถามว่าในทางธรรมะเนี่ย มองในเรื่องนี้เป็นอย่างไรแล้วก็จะจัดการได้หรือไม่ด้วยวิธีใดท่านคะก็จะมีเรื่องที่สอดคล้องกับตรงนี้อยู่พอดีเลยเป็นพระสูตรที่ชื่อว่าโจทนาสูตรใน <c oughs> ในคำภาษาภาษาบาลีคำว่าโจทเนี่ยโจทเนี่ยหมายถึงว่าคุณคุณพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาโจทเนี่ยในที่นี้หมายถึงว่าจุด ป, ประสงค์ของการโจทเนี่ยเพื่อที่จะสอบถามสักถามนะว่าที่ <c oughs> คุณทําอย่างนั้นจริงไม่จริง นะถ้าเราภาษาไทยก็คือถูกโจดเนี่ยมันจะมีความหมายในแง่ลบแต่ถ้าใน <Okay. S 1> ในการใช้จริงๆในภาษาบาลีเนี่ยมีความหมายกลางๆทอนนั้นเองนะซึ่ง mm hmm. ในการที่ที่จะโจดคนที่จะโจดคนอื่นเนี่ยตอนนั้นเป็นเป็นเรื่องเป็นพระสูตรที่ท่านพระสารีบุตรตรัสกล่าวไว้นะตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่ด้วย <Okay. S 1> อยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยพระสูตรนี้อยู่ในอังคุตตระนิการนะในหมวดที่เรียกว่าปัญจาการนิบาตหมวดห้า พูดถึง <Okay. S 1> บุคคลที่จะโจดคนอื่นไดนะ้จะต้องมีคุณสมบัติ5ประการนะคือ5ประการนี้คือแบ่งเป็นสิบอย่างเป็น5คู่นะคู่ <Okay. S 1> แรกก็คือการกล่าวคือการโจทเนี่ยต้องใช้วาจาถูกไหมเพราะฉะนั้นการโจดด้วยการกล่าวเนี่ยก็ด้วยคู่แรกก็คือจริงหรือไม่จริงนะคู่ <Okay. S 1> ที่2ก็คือโดยการหรือโดยไม่ใช่การนะคือผิดเวลานะคู่ที่3ก็คือโดยวาจาอ่อนหวานหรือวาจาหยาบคาย แล้วคู่ที่4ก็คือด้วยเรื่องเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ข้อที่5ก็คือเป็นผู้มีเมตตาจิตกล่าวหรือว่าเป็นผู้ที่เพ่งโทษกล่าวนะมี5อย่างมี5คู่เป็น5้อย่างในทางไม่ดีแล้วก็5อย่างในทางดีถ้าเราโจทย์คนอื่นด้วย5อย่างในทางไม่ดีการโจทย์ตรงนั้นเนี่ยเป็นเาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นโทษเป็นสิ่งที่ควรติเตียนเป็นการโจทย์ที่ไม่เป็นธรรม สมมติ <Okay. S 2> เราจะไปโจดใครสักคนในคนหนึ่งนะหรือว่าเอาอย่างมีคนมาโจดเราอะ่ะด้วยเรื่องไม่จริงมันมาโจดผิดเวลาด้วยนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ไร้สาระไม่มีประโยชน์แล้วก็ด้วยจาวาจาที่หยาบคายในะเวลานี้ไม่ควรพูดเอามาพูดวาจาหยาบอีกทั้งหาแล้วก็คนโจดนี่คนกล่าวนี้ก็มีจิตโทสะอันนี้เป็นการโจดของเขาเนี่ยเป็นการโจด ท, ที่ไม่เป็นธรรมต่อตัวเรานะคนที่ถูกโจดเนี่ยจะไม่ได้รับจะได้รับความเดือดร้อนนะเพราะว่าสิ่ง5้าอย่างเหล่านี้ นะทีนี้คนที่ถ้าเผื่อว่าตั้งตนไว้ในธรรม5อย่างที่เป็นกุศลนะคือการพูดนั้นก็ถูกต้องตามเวลานะเวลาอย่างสมมติอย่างประสงค์เนี่ยช่วงเวลาที่เขาให้โจทย์ได้ก็คือวันออกพรรษาวันบาวารณานะคุณโจทย์กันได้เลยไม่มีปัญหาเปิ ด, เ ป, ดเปิดช่องให้นะแล้วก็ถูกเวลาละนะด้วยเรื่องจริงนะมีหลักฐานที่อ้างอิงนะด้วยวาจาอ่อนหวานด้วยเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เพราะว่าถ้าออกจากความผิดตรงนั้นแล้วคุณจะดีขึ้นมาได้ แล้วคน <Okay. S 1> ที่โจทย์นี่ก็มีจิตเมตตามีความที่มีความเมตตากรุณาอยู่ในใจเขาก็เป็นการโจทย์ที่แม้แต่ผู้ถูกโจทย์เนี่ยก็จะไม่ได้รับความเดือดร้อนจะได้รับความสบายใจตรงนั้นค่ะอันนี้คือตัวประเด็นของผู้ผู้ที่ไปโจทย์คนอื่นนะต้องมีคุณสมบัติ5อย่างที่ดีตรงนี้ค okay. ่ะท่านกําลังบอกว่า สำหรับคุณสมบัติในการที่จะไปพูดถึงคนอื่นถูกไคะวิาพากวิจาริฉันใช้คำนี้ด้วยได้ไหครับเพราะว่าท่านพูดว่าถ้าเป็นภาษาธรรมะเนี่ยจะออกไปในทางกลางกลางนะคะผู้ที่จะไปกล่าวหาใครเขาจะไปพูดเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นขึ้นมาเนี่ยต้องดูก่อนว่าเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงวิธีการพูดก็ควรจะอ่อนหวานควรมีประโยชน์นะคะในเรื่องที่พูดควรมีเมตตาเมตตาจิตแล้วก็กล่าวให้เหมาะแก่การ จึงจะถือว่าตั้งอยู่ในธรรมใช่คำศัพท์ที่คุณโยมติ๋วใช้เมื่อสักครู่คือการวิจารณ์เนี่ยแตมาคิดว่าเป็นคําศัพท์ที่เหมาะสมนะ <c oughs> คือวิจารณ์เนี่ยเป็นคํากลางๆนะดีก็ <c oughs> ได้ไม่ดีก็ได้นะวิจารณ์ให้มันออกมาดีสร้างสารรค์ก็ได้ใช่ไหม <c oughs> ซึ่งซึ่งเป็นลักษณะการโจดนี่เองเป็นโจทที่ใช้ในภาษาบาลีเลยแต่ถ้ากล่าวหานี่มันอาจจะลบๆนิดนึงใช่ไหมค <c oughs> ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปวิจารณ์ใครคุณต้องตั้ง ต, งตนมาในธรรมห้าอย่างนี้ถึงจะถูก นะการวิจาร์นั้นถึงจะเรียกว่าไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นนะทีนี้ผู้ที่ถูกวิจารนะผู้ที่ถูกวิจารก็จะมี2แบบเหมือนกันแตนะ่เราลองพูดถึงคนที่วิจาร์ที่วิจาร์อย่างดีตั้งตนอยู่ในคุณธรรมหอย่างเอ า, เอาอย่างที่แย่ก่อนนะ5อย่างแย่เนี่ยไม่ถูกการพูดจาหยาบไม่ถูกเวลาเป็นคำไม่มีประโยชน์อะไรต่างถ้าเราถูกวิจารด้วยคาแบบนี้เราอาจจะเดือดร้อนเราอาจจะโกรธอันนี้มันก็ คือโกรธนีมันไม่ควรโกรธแ่ะแต่ว่าบางคนก็อาจจะโกรธได้นทีนี้ในทางตรงกันข้ามถ้าถูกวิจารณด้วยข้อมูลจริงนะแล้วก็เป็นเรื่องดีมีประโยชน์คนพูดก็มีเมตตาถูกเวลาด้วยบางทีเราก็โกรธก็มี <c oughs> อ่ามันเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นาการถูกวิจารณ์ตรงนี้นะท่านพระสารีบุตรก็เลยบอกตรงนี้ว่า้คนที่โกรธก็มีนะเพราะฉะนั้นคุณธรรมของผู้ถูกวิจารณ์เนี่ยคุณต้องตั้งไว้ในสองอย่าง นะต้องไวใน2 อ, อย่างคืออย่างแรกนะด้วยการที่ไม่โกรธนะการไม่โกรธต้องเป็นคุณนคุณสมบัติของผู้ที่ถูกวิจารณ์ล่ะ 2. <Okay. S 1> ผู้ที่ถูกวิจารณ์เนี่ยต้องตั้งไว้ด้วยความจริงนะต้องรักษาความจริง <Okay. S 1> คือพึงตั้งอยู่ในธรรมส อ, อย่างคือความจริงหนึ่งและความไม่โกรธ2องนะด้วยการถูกกระทําอย่างนีนะ้การที่เราถูกวิจารณ์เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเรานะคือคนที่ไม่โกรธแล้วนะถ้าสมมุติเขาพูดเรื่องไม่จริงมา เราก็บอกเออเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะพูดเรื่องที่ไม่จริงโดยความไม่จริงแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงเราก็ยอมรับไปว่าเออเราเป็นอย่างนั้นแล้วก็แก้ไขซะน ะ, ะก็แค่นี้เองนะคือธรรมของผู้ที่ถูกวิจารณ์แนตะ่จะต้องมีคือความจริง2ความไม่โกรธนะสองอย่างนี้ค่ะคือเรียกว่าธรรมะในดูแลทั้งสองฝ่ายเลยฝ่ายที่เป็นผู้เริ่มต้นวิพากวิจารณ์หรือว่ากล่าวหากับฝ่ายที่ถูกวิจารณ์หรือถูกกล่าวหา นะคะทีฉันคิดว่าถ้าวิจารณ์เปนในทางที่ดีเนี่คนก็จะไม่ค่อยอรู้สึกมีปฏิกิริยาในทางที่ไม่ดีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่กล่าวหาเนี่แหละคะ่ะที่คนจะรู้สึกจี๊ดขึ้นมาทันทีถึงแม้ว่าเรื่องจริงที่เขาพูดเนะี่ยมันเป็นเรื่องไม่ดีของเราจริงๆอ ม, มันก็จะรู้สึกนะมาพูดถึงฉันได้ยังไงโร <laughs> อรธคนที่โกรธขึ้นมาเนี่ยอพระพุทธเจ้าก็กค่อยเตือนเอาไว้นะ คือท่านภาษาดิบุตรก็เคยตั้งข้อสังเกตตรงนี้ในที่ประชุมสงตรงนั้นเนี่ยบอกว่าไอคนที่โกรธก็มีนะถูกโจทย์ถูกวิจารณ์ด้วยสิ่งดีๆแล้วเนี่ยก็ยังโกรธนะท่านภาษาดิบุตรก็เลยบอกว่าที่โกรธเนี่ยเพราะว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนมีมารยาเป็นคนโอ้อวดเป็นคนฟุ้งซ่านเป็นคนเย่อหยิงเหวี่แลกปากกล้าพูดพราวไม่สมดุลอินทรีย์กินมากไม่ประพฤติความเพียร น, นะไม่มีศรัทธาเป็นคนประพฤติย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในทางซามโอ้หลายอย่าง นะถึงเป็นคนที่เรียกว่าถูกวิจารณ์ด้วยเรื่องดีๆก็ยังโกรธนะว่าอย่างนั้นเตือนเอาไว้ ค, คือที่ฉันฟังท่านอธิบายว่าคนมีคุณสมบัติเช่นไรจึงเป็นคนมักโกรธถูกไหมคะมกกถ้าจะสรุปด้วยคำพูดเนี่ยบางคุณสมบัตินี่แปลกนะคะว่าเป็นผู้ที่เออเขาเรียกวอะไรคะทานมากอะ่ะไม่ประมาณ ในการรับประทานทำไถึงเป็นคนทรเทคนิคเทคนิคตรงนี้โดยพุทธพจน์เนี่ยก็คือเป็นผู้รู้ประมาณในโพชนาอยู่เสมอถ้าไม่รู้ประมาณในโพชนาะมีโอกาสที่จะโกรธง่ายใช่กินมากมกินมากเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นร่างกายมันก็จะหนักนะมีกายหนักเหมือนถัว่วถูกแช่น้ำพองทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็นอนอย่างเดียวนอนจิต ก, ก็ฟุ้งซ่านแล้วทีนี้มันก็เดินอะไรกระทบ ม, มันก็ไม่ไม่สามารถรักษาจิตได้ คนกินมากจะอารมณ์เสียง่ายถ้าพูดอย่างงั้นเป็นไปได้นะเป็นไปได้ลองทบทวนดูดีๆเพราะว่าเดี๋วฉันคิดว่าคนคิดไปไม่ค่อยถึงนะคะว่ากินมากแล้วมันเกิดผลอย่างนี้หรอรู้แต่ว่าอถ้ากินมากก็อ้วนสิกินของไม่ถูกหลักโภชนาการก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บตามมาสิแต่ไอ้กินมากแล้วโกรธง่ายเนี่ยนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่จริงนะคะเพราะฉะนั้นอ่าใครที่ขี้โกรธแล้วบังเอิญเป็นคนขี้กินด้วยเนี่ยอาจต้องไป รู้จักประมาณในการนะบริโภค ใ, ในโภชนะทั้งหลายอ า, อาจารย์คะ mm hmm. พูดถึงเรื่องคุณสมบัติของผู้โจทหรือว่าผู้กล่าวหาก่อนเนี่ยนะคะผู้วิจารณ์รกลับไปตรงนั้นนิดนึงดิฉันสนใจในเรื่องข้อที่ว่าถ้าพูดโดยควรแก่การก็โอเคละส่วนใหญ่เขาก็เลือกเวลาพูดกันเรื่องจริงส่วนใหญ่ก็อ้างว่าจริงทั้งนั้นในคน mm hmm. ที่ไปกล่าวหาใคร นะคะส่วนจะจริงไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งกับเรื่องที่สามที่ว่าอ่อนหวานต้องพูดอย่างอ่อนหวานไม่พูดหยาบคายเนี่ยเดี๋ยวไปดิฉันดิฉันก็อยากจะให้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าสังเกตอนะคะว่าถ้าพูดกันดีๆได้เนี่ยเรื่องมันคงลงเอยกันด้วยดีได้อืแต่ถ้ามันพูดหยาบคายหยาบคายส่วนใหญ่เป็นคําด่านะคะอืด่ากันแบบชนิดที่ว่าโอ้ไม่รู้ว่าคําดานี่มาจากไหนอืม ไม่รู้ใครสอนให้คุณพูดจาแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะอืทีนี้ทําไมเรื่องของการพูดจาเนมันถึงทําให้คนเกิดอารมณ์ความรู้สึกได้รุนแรงขนาดนั้นบางทีเราอาจอ่านข่าวนะคะพูดจาผิดหูกันนิดเดียวฆ่ากันฆ่ากันตายได้ใช่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรื่องนี้มันมาทางภาษะมาทางภาษะคือไม่ใช่เฉพาะเรื่องของหูหรือเสียงอย่างเดียวหนะ้ภาพด้วย สัมผัสด้วยลิ้นด้วยจ ม, มูกด้วยในสมมุตเิเราไปกินอาหารแล้วปรากฏในอาหารมันมีแมลงสาบหรือว่าเส้นผมอยู่เงี้ยเราก็ปีติขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะเสียงมันมากระทบหูไม่พอใจเราก็ปีติขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะทุกทางเลยไม่ใช่เฉพาะหูอย่างเดียวนะจ ม, มูกลิ้นกายใจตานะมาหมดมันจะทิ่มแทงภัดสะเนี่ยเป็นแดนเกิดของกิเลสนั่นเองเนี่ยเราต้องระวังต้องระวังภัดสะต้องระวังนะคะแล้วเดีฉันเชื่อว่า ถ้าเรามาช่วยกันพิจารณากันให้ดีว่าการที่มีการพูดจากันอย่างรุนแรงอย่าคิดว่ามันไม่ใช่อาวุธไม่ใช่มีดไม่ใช่หอกไม่ใช่ดาบไม่ใช่ปืนอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แต่ที่ว่าคำพูดเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการทำร้ายกัน ได้เพลิดเสุดท้ายนี่อาจจะเลือกตกยางออกกันได้เลยใช่อันนี้เป็นพุทธพจน์อยู่ที่พูดถึงใช้หอกคือปากเอาปากเนี่ยเป็นหอกทิ่มแทงซึ่งกันและกันเน็บแทงทิม่มจิกอย่างนี้เป็นกริยาที่พระพุทธเจ้าใช้กับเรื่องของปากเรื่องของวาจาได้อ๋อคือทรงเปรียบกับอาวุธด้วยใช่แต่ว่าสมัยก่อนสงสัยมีแค่ห อ, อกมั้งคะเออแล้วก็อีกคำหนึง <c oughs> ที่ใช้คือกริด <c oughs> กริดมีดสั้นอย่างน <c oughs> <ๆ>ี้มีดูอ๋อนะคะเพราะฉะนั้นปากพระพุทธองค์ เปรียบเท่ากับอาวุธจึงต้องใช้กันให้ดีไม่เช่นนั้นแล้วปากที่เป็นประโยชน์สามารถพูดให้เรามีข้าวกินก็ได้พูดให้เรามีคนรักก็ได้จะกลายเป็นอาวุธมาทิ้มแทงเราหรือว่าทิ้มแทงผู้อื่นกันเสเองแล้วเราก็จะมานั่งเสียใจกันทีหลังด้วยการไม่ควบคุมในสิ่งที่เป็นพื้นฐานคนไม่เป็นใบ้ก็พูดด้วยกันทั้งนั้น พูดดีกันดีกว่านะคะก็กราบนมหัศการขอบพระคุณท่านเพบู่บุเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเรียนผานท่านฟังที่เคารพคะวันนี้เราก็ได้แงธรรมะในการที่จะพิจารณาในเรื่องของผู้ที่วิจารณ์แล้วก็สําหรับผู้ที่ถูกวิจารณ์หรือถูกกล่าวหาเนี่ยควรจ ะ, ะพิจารณาอย่างไรนะคะที่ฉันสรุปให้อีกครั้งหนึ่งก็ได้สั้นๆ เ, เร็วว่าเราพิจารณาซิว่าผู้โจรเนี่ยหรือว่าผู้ที่กล่าวหาผู้ที่วิจาร์เนี่ย ตั้งอยู่ในธรรม5ประการนี้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นคู่นะคะคือโดยควรเอ่ยโดยโดยควรแก่การหรือไม่ควรแก่การซึ่งควรพูดให้ตรงแก่การนะคะควรพูดเรื่องจริงไม่ควรพูดเรื่องไม่จริงควรพูดด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวานไม่ควรพูดด้วยถ้อยคําที่หยาบคายควรจะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ไม่ใช่เรื่องไม่มีประโยชน์และพูดด้วยความเมตตาจิตเพ่งโทษไม่ใช่เพ่งโทษส่วนผู้ที่ถูกโจดนั้น ก็มีคุณธรรมอยู่สองอย่างนะคะคืออย่างแรกก็อย่าไปโกรธและอย่างที่สองซึ่งจริงๆเป็นอย่างแรกก็คือต้องรักษาเอาไว้ซึ่งความจริงวันนี้เราลาท่านทั้งหลายกันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับรายการสนท น, น, นาดิฉัน ส, นสนันตินาพง์เป็นผู้ดำเนินรายการอยู่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ค่ะพุทวดสวัสดีค่ะ